ภูบกบิดหรือว่าภูบ่อบิดเป็นภูเขาเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนักนะคะเป็นภูเขาซึ่งอยู่เหนือฝากฝั่งของแม่น้ำเลยโดยมีตัวเมืองเลยอยู่ฝากฝั่งตรงกันข้ามหลวงปู่หลุยจันทสาโรค่ะพันศาที่32ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติภาวนาที่ภูบักบิดค่ะ หลวงปู่ลุยเผชิญกับวิญญาณมานักต่อนักนะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ท่านเผชิญกันกับพญานาคขณะที่ท่านกําลังนั่งภาวนาอยู่พญานาคแห่งภูบักบิดตนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิมไม่ยอมรับนับถือพระสุปฏิปโนเมื่อหลวงปู่มาบําเพ็ญภาวนาในเขตของตนก็เลยแสดงฤทธิ์ปรากฏกายลองดีกับท่านโดยใช้ส่วนหางพันรอบกายท่านหลายรอบแล้วก็รัดแน่น หลวงปู่ลุยเล่านะคะว่าทันทีที่รู้สึกว่าพญานาคมาตัวท่านก็ตั้งสติไม่ทันทำให้ตกใจหลวงปู่บอกว่าหนักอึกซึกคำว่าหนักอึกซึกหมายถึงอึดอัดมากนะคะ อันที่จริงหลวงปู่หลุยเคยมีประสบการณ์เรื่องพญานาคมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เคยพบถึงขั้นามารัดตัวท่านก็เลยทําให้ท่านเนี่ยอดสะดุ้งวันไหวไม่ได้แต่ว่าเมื่อตั้งสติได้ก็กําหนดจิตเอาพุโทโธเป่าเข้าไปขดลำตัวพญานาคนะคะซึ่งขดรัดตัวท่านก็คลายออกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งหายวับไปค่ะ แม้ว่าหลวงปู่หลุยจะเผชิญกับความน่ากลัวของพญานาคถึงป่านนี้ตัวของท่านเองก็ไม่ได้หวั่นไหวพรั่นพึงไม่ยอมหนีไปจากถ้าภูบักบิดยังคงบําเพ็ญภาวนาต่อด้วยความมั่นคงแน่วแน่พร้อมกันนั้นก็ได้แผ่เมตตาไปให้พญานาคตนนั้นไม่มีประมาณตราบจนจิตของพญานาคอ่อนลงยอมรับนับถือท่านแล้วก็กลายเป็นมิตรที่ดีต่อหลวงปู่ค่ะภายหลังหลวงปู่มักจะพาพระเล็กเนรน้อยไปบําเพ็ญเพียรที่ภูบักบิด และก็ได้พญานาคเป็นผู้ช่วยทรมานทดสอบความมั่นคงของจิตใจพระเนนเหล่านั้นอย่างได้ผลการทดสอบของพญานาคหลวงปู่หลุยท่านไม่ได้เล่าเอาไว้นะคะแต่เชื่อค่ะว่าพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ในการแปลงกายแล้วก็สามารถเนรมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ก็คงกระทําให้พระเนนเกรงกลัวจิตไม่กล้าส่งออกนอกจิตแนบแน่นอยู่กับการภาวนาจนรวมเป็นสมาธิได้นั่นเองนะคะ สำหรับการกระทำความเพียรที่ภูบักบิดนี้หลวงปู่หลุยได้บันทึกเอาไว้นีคะว่าถ้าภูบักบิดเป็นสถานที่ทําความเพียรไม่เบื่อจิตไม่คุ้นเคยในสถานเกรงกลัวในสถานเสมอนํามาซึ่งความเจริญนิมิตแม่ร้ายเมตตาจิตเสมอภาคไม่มีอคติแผ่เมตตาจิตเยือกเย็นดีถ้านี้ปรุโปร่งทั่วธันวาคมพศ .99 ถ้านี้ได้พิจารณาตายตายที่สงัดดีเป็นหนทางพระอริยะเจ้า ตายคนเดียวตายด้วยกิเลสคือตายด้วยหมู่ไม่ดี ถ้ำนี้พิจารณาธรรมะแจ่มใสพิจารณาแห่งเดียวรู้ทั่วภาวนาได้ทะลุทั้งตัวภาวนาลมหายใจทุกเส้นขนเทพอมนุษย์นากในที่นี้ชอบใจมากแผ่เมตตาจิตนั้นชอบนักมีเมตตาเสมอภาคต่อบุคคลทั้งปวงจิตสูงมีอำนาจมากความรู้เลื่อนจากฐานะเดิมสู่ที่สูงมากประวัติถึงกึ่งพุทธการเสมอมีปฏิหาริย์ดีกว่าถ้ำอื่นๆจิตอุ้มหนุนเอื้อเรื่อยๆ อ, อยู่ถ้ำนี้ไปนานๆจะมีความรู้ใหญ่โต จิตประวัติคิดถึงการไม่มีเหมือนที่ถ้าผาปู่นิมิตความฝันเป็นมงคลนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งวักหนึ่งตอนนะคะของหลวงปู่หลุยจันทสาโรค่ะที่เผชิญพญานาคนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของหลวงปู่หลุยเหมือนกันเจอเปรตตัวเป็นๆ เ, เลยละค่ะยื่นมือมักฮือมาออกมาจากถ้ำภูบักบิด เป็นเรื่องของสมัยหลวงปู่หลุยเป็นเด็กๆนะคะท่านก็เคยขึ้นไปยังถ้ำภูบักบิดและก็เข้าไปที่นี่ท่านยังเคยเห็นคอนเพรีโบราณขนาดเครื่องตั้งเรียงราอยู่นะคะและก็มีพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินองค์เล็กๆตั้งอยู่บนแท่นหินในหลืบถ้ำ ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวไม่ใช่หล่อด้วยทองคำหรือว่าเงินทั้งองค์หากแต่เป็นแผ่นทองแล้วก็แผ่นเงินห่อหุ้มองค์พระพุทธรูปเอาไว้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระพุทธรูปปั้นดินเผาบรรจุไว้ในไหจนเต็มหลายต่อหลายใบยแต่ไม่มีผู้ใดนำไปเคารพ บ, บูชาค่ะ ในปีพุทธศักราช2499หลวงปู่หลุยท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านกกกอกซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขาครั้นออกพรรษาแล้วท่านก็ต้องการเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียรก็เลยได้มุ่งหน้าไปยังถ้ำภูบักบิดเนื่องจากบนภูเข า, าที่มีชื่อว่าภูบักบิดเนี่ยนะคะเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่มีการตัดไม้ทาลายปา่าสภาพธรรมชาติจึงสงบวิเวกเป็นที่สปายะสาหรับพระธุดงกรรมฐาน การขึ้นไปยังถ้ำภูบักบิดนี้นะคะจะต้องไต่ขขาขึ้นบปายเป็นระยะทางถึง3กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็ทางขึ้นก็ยากลำบากไม่น้อยค่ะเนื่องจากต้องปีนป่ายผ่านก้อนหินตะปุ่มตะป่ำแหลมคมซ้ำยังมีพรงรกเถาวันกอหนากอหวายขวางทางตลอดเลยนะคะ แต่ว่าเมื่อขึ้นไปถึงถ้ำแล้วกลับเป็นสถานที่อันเหมาะสมในการภาวนาอย่างยิ่งโดยถ้ำที่หลวงปู่หลุยบุกเข้าป่าไปเนี่ยก็ปากถ้ำจะออกเล็กแคบแต่ว่าภายในถ้ำนีคะกว้างขวางร่มรื่นบรรยากาศสงัดเงียบค่ะเป็นที่พอใจของหลวงปู่อย่างยิ่งนักวันเวลาที่หลวงปู่หลุยขึ้นไปบําเพ็ญภาวนาบนภูบักบิดเนี่ยเป็นเดือนธันวาคมอากาศบนภูหนาวเหน็บเย็นเยือก เวลากลางคืนก็มาถึงเร็วค่ะเพียงแค่ล่วงพ้นยามเย็นความมืดแห่งรัติการก็ครอบคลุมลงมาทั่วทุกอนูบนภูสูงอันเปล่าเปลี่ยวคืนแรกนะคะหลวงปู่หลุยนั่งภาวนาบนแท่นหินหน้าถา้ำจิตรวมนิ่งสงบอย่างรวดเร็วแต่แล้วค่ะก็ปรากฏการซึ่งหลวงปู่ไม่เคยคาดคิดก็พลันอุบัติขึ้นนั่นคือมีมือใหญ่ขนาดมหมาขนยาวรุงรังยื่นออกมานอกถา้ามือ น, น, นั้นนี่ชูร่อนไปร่อนมานะคะ ลงปู่หลับตาก็มองเห็นก็ลืมตาก็มองเห็นค่ะท่านก็เลยกําหนดจิตถามไปบอกว่าเจ้าของมือซึ่งชูร่อนเสมือนจะวิงวอนร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นปรารถนาอะไรและหลวงปู่หลุยก็ทราบว่านะคะเป็นเปรตที่อยู่ในภาวะแห่งความทุกข์ทรมานมานานแสนสาหัสแล้วเปรตตัวนั้นเนี่ยมาขอส่วนบุญหลวงปู่ก็เลยแผ่เมตตาให้นับแต่นั้นเปรตก็หายไปไมมารบ ก, กวนท่านอีกเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเปรตที่มาขอส่วนบุญกับหลวงปู่นั้นเนี่ยจะเป็นเหล่าคนโลภแล้วก็พวกที่ไปทำผิดผีในถ้ำบนภูบักบิดนี้หรือเปล่าตามตำนานที่เล่าขานไว้ เกี่ยวกับเรื่องราวของภูบักบิดนั่นเองนะคะแล้วก็ในคืนต่ อ, ตอมาค่ะหลวงปู่ลุยก็ได้เผเชิญกับสิ่งลี้ลับที่สุดของโลกซึ่งสุดท้ายแล้วท่านต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงนั่นก็คือพญานาคนั่นเองนะคะเรื่องราวความอัศจรรย์ตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับภูบักบิดนะคะว่าเป็นที่อยู่ของเทวดามีสมบัติล้าค่ามากมายแต่ต้องมาลายไปเพราะกิเลสของมนุษย์นะคะ ภูบกบิดหรือว่าภูบ่อบิดเนี่ยเป็นภูเขาเล็กๆค่ะที่บีเคยบอกไปว่าห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนักซึ่งก็เป็นภูเขาซึ่งอยู่เหนือฟากฝั่งของแม่น้ําเลยโดยมีตัวเมืองเลยอยู่ฟากฝั่งตรงกันข้ามนะคะ หลวงปู่ลุยจันทสาโรค่ะท่านเองก็ได้เดินทางมาปฏิบัติภาวนาที่ภูบักบิดนะคะนี่ก็มีที่มาของชื่อค่อนข้างพิสดารกล่าวก็คือบนยอดภูแห่งนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็น่าอัศจรรย์ยิ่งเนื่องจากว่าเป็นอนณาเขตของพวกบางบทหรือว่าภูมิเทวดาสถิตยอยู่นั่นเองค่ะ ลักษณะของถ้ำบนภูบักบิดนี้ปากถ้ำค่อนข้างเล็กแคบแต่ว่าเมื่อผ่านปากถ้ำเข้าไปแล้วก็จะกว้างขวางเวิ้งว้างผนังถ้ำเป็นรูเป็นซอกหลืบมากมายอีกทั้งยังมีโพรงลึกอยู่โพรงหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่าเป็นโพรงของพญานาคหากใครเอามะพร้าวมาทิ้งลงไปในโพรงนี้มะพร้าวจะไปโผล่ที่กุดป่องอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ที่เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าลึกล้ำจากโพรงลงไปก็คงจะมีสายทานน้ำไหลอยู่ใต้แผ่นดินแล้วก็สายทานน้ำไหลนี้เนี่ยย่อมซอกแซกทอดยาวไปทะลุถึงกุดป่องได้นะคะ เมื่อการก่อนนั้นเล่ากันค่ะว่าภายในถ้ำมีสมบัติล้าค่ามหาสารของเทวดาผู้มีศีลธรรมมีจิตบริสุทธิ์ยิ่งสมบัติดังกล่าวเป็นเครื่องประดับล้าค่าของโบราณประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอสร้อยขอ้ อ, ยขอมือสร้อยสายสะพายปะวะลำกำไลแขนกำไลมือแล้วก็สายสังวานอีกทั้งมีเข็มขัดทองเข็มขัดนาคเยอะแยะมากมายค่ะนอกจากเครื่องประดับล้าค่าเหล่านี้แล้ว ยังมีพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปนาคและก็พระพุทธรูปเงินขนาดต่างๆวางไว้บนชั้นหินหลายระดับด้วยกันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสมบัติซึ่งเป็นคนโบราณเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถึงกับนำทองคำนำนาคและก็เงินมาหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้บูชา ชาวบ้านที่อยู่บนเชิงเข า, าแถวเชิงเขาผู้บักบิดเนี่ยนะคะในสมัยก่อนนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปยืมเครื่องประดับมาแต่งกายแล้วก็นำพระพุทธรูปมาเคารพบูชาในงานบุญต่างๆได้เป็นการชั่วคราวเมื่อเสร็จงานบุญแล้วก็จะนำเครื่องประดับแล้วก็พระพุทธรูปไปคืนไว้ในถ้ำตามเดิมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันตรุษสงกรานวันาสาหรือว่าวันที่มีงานบุญงานมงคลต่างๆเช่นทาบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานกนจุก ชาวบ้านทั้งหญิงชายจะมีเครื่องแต่งกายจะมีเครื่องประดับแล้วก็ของมีค่าใส่กันแบบแพรว์แพรว์กันเลยเวลาจะเข้าไปเอาเครื่องประดับในถ้าศักดิ์สิทธิ์ภูบกบิดมีกฎอยู่2ประการคือข้อแรกค่ะผู้ที่จะเข้าไปเอาต้องถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วเดินตัวเปล่าเข้าไปเหตุท <ac> ี่ต้องทําเช่นนี้คงถือเอาความบริสุทธิ์ของใจเป็นสําคัญแหละนะคะคือจะไม่เอาเครื่องประดับชิ้นหนึ่งชิ้นใดซุกซ่อนไว้ในเสื้อผ้าที่ใส่ กฎข้อนี้ต้องกระทำเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กหรือคนแก่ข้อต่อมาค่ะคือให้หยิบเครื่องประดับไปได้แค่หนึ่งกำมือเท่านั้นจะเอามากกว่านี้ไปไม่ได้ผู้คนในสมัยก่อนเป็นคนมีศีลธรรมประ จ, จาําใจไม่มีความโลภโมโทสัน เมื่อหยิบยืมเครื่องประดับไปใช้สมประสงค์แล้วก็จะรีบนำมาคืนที่เดิมเพราะถือว่าเป็นของกลางไม่ใช่สมบัติของตนหรือของใครทั้งสิน้นแต่ว่าต่อมาค่ะเกิดมีบางคนที่มีความโลภอยากได้เครื่องประดับและก็ของมีค่ามาเป็นของตนเข้าไปยืมเครื่องประดับในถ้ำแล้วก็ไม่ยอมนำไปคืนยักยอกทุจริตเก็บไว้เป็นสมบัติของตนสะดื การกระทําเช่นนี้จึงเท่ากับจงใจเจตนาผิดศีลข้ออธินาทานก็คือลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเครื่องประดับจํานวนมากมายก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆอีกทั้งทองคาอันสุกเปล่งปลั่งวาววับก็เริ่มหมองคล้ำดำลงไปคล้ายกับทองเหลืองค่ะความวิบัตินี้ ได้เกิดขึ้นจนส่วนที่เก็บสมบัติไว้เนี่ยได้ปิดลงเนื่องจากในเวลาต่อมากลุ่มคนหนุ่มสาวที่เข้าไปยืมของเนี่ยไม่สำรวมไปหยอกเอินหยิกสะโพกกันเป็นที่สนุกสนานในถ้ำภูเขาก็เลยถล่มลงมาปิดปากถ้ำทับคนตาย รอดมาได้เพียงแค่สำ ม, มนเนีนน้อยรูปหนึ่งนะคะบอกว่ามุดมาตามรูค่ะท่านบอกว่ามีรูใหญ่อยู่รูหนึ่งจึงรอดมาได้แล้วก็เอามะนาวใน ย, ย่าเนี่ยทิ้งลงน้ำมะนาวเนี่ยไปทางไหนก็ตามไปทางนั้นใช้ไม้คานสบู่หรือว่าไม้กลมๆนะคะเป็นทุ่นตามลูกมะนาวออกจากถ้ำมาโผล่ที่กุดป่องค่ะแต่ว่าบางตำนานนะคะคุณผู้ฟังก็เล่า ว, ว่าเป็นเนนน้อยผู้นั้นเองที่ทาผิดศีล เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งได้มีหญิงชาวบ้านเข้าไปยืมสมบัติแล้วก็ของมีค่าแต่งตัวนะคะแล้วก็มีเนนน้อยรูปหนึ่งเดินตามหลังหญิงคนนั้นเข้าไปด้วยเนนน้อยได้กระทําผิดด้วยเจตนาหยอกเอิอนหญิงนั้นคือเอื้อมมือไปบิดก้นของหญิงที่เดินนําหน้าการกระทําเช่นนี้ก็ผิดศีลเพราะว่ามีเจตนาจับเนื้อต้องตัวสตรีเพศทั้งยังแสดงกิริยาหยาบท่ายไม่สํารวมตนเสมือนไม่เคารพสถานที่อันสมควรเคารพนะคะทันใดนั้นเพดานถ้า ที่บริเวณเก็บสมบัติเนี่ยก็ได้ถล่มโครมคลืนลงมาปิดทางเข้าทั้งหมดเนนน้อยผู้ทำศีลวิบัตินี้เตลิดเปิดเปิงจนพลัดตกลงไปในปล่องโพรงพญานาคแล้วไปโผล่ที่กุดปอง การมีชีวิตรอดออกมาได้เพียงเพื่อจะบอกเล่าถึงสาเหตุที่ถ้ำเก็บสมบัติถลม่มปิดทางเข้าออกเท่านั้นเพราะต่อมาเนนน้อยก็กลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนจริตเลอะเลือนพร่ามเพ้อถึงเวรกรรมของตนตราบกระทั่งตายไปอย่างน่าสลดสังเวชนับแต่นั้นภูเขารูปนี้จึงได้ชื่อว่าภูบักบิดนั่นเองค่ะขอบคุณหนังสือพระอริยสงฆ์เผชิญพญานาคจากเว็บไซต์พลังจิตโพสต์โดยสติด้วยค่ะ เรื่องราวของพระเกจิดังนะคะทางภาคอีสานหรือว่าหลวงปู่หลุยจันทศาสตรยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีเรื่องของหลวงปูม่ม่นค่ะสั่งห้ามหลวงปู่หลุยบินทบาทในเส้นทางที่ท่านเดินแต่ด้วยความดื้อรั้นค่ะก็เลยเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบไม่คาดฝัน หลวงปู่หลุยจันทศาสโรพระเถระสายหลวงปู่มั่นสายธรรมยุทธ์เป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีศีลวัรปฏิบัติอนงดงามท่านรักษาศีลครบ5ข้อแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด แล้วก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์ท่านก็จะให้ศีลห้าหรือศีลแปดแล้วก็ท่านมีเมตตาต่อผู้ครองเรือนค่ะรักษาศีลห้าก็ย่อมสําเร็จโสดาบันได้สําหรับศีลแปย่อมช่วยให้สามารถสําเร็จถึงอนาคมีได้นะคะหลวงพ่อท่านเป็นผู้มีความเมตตาต่อทุกชนชั้นวันนะแล้วก็มีความเมตตาต่อผู้คนจนประชาชนชาวไทยต่างเลื่อมใสท่านเป็นจํานวนมากแล้วก็ต่างรู้จักพระเกจิอีสาน ร, รูปนี้นะคะ มีเรื่องเล่าเมื่อครั้งท่านได้ไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นค่ะวันหนึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยปรารบกับพระในวัดซึ่งก็ได้ยินกันทั้งหมดวัดนะคะว่าท่านหลุยท่านไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ให้ไปหาที่อยู่อื่น หลวงปู่หลุยก็แปลกใจเอ๊ะทำไมหลวงปู่มั่นสั่งห้ามไม่ให้อยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาะหลวงปู่หลุยก็เข้าไปกราบเรียนขออนุญาตหลวงปู่มั่นอีกว่าขอได้โปรดเมตตาให้เกล้าอยู่รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปด้วยเถิดถ้าได้กระทำอะไรผิดพลาดก็กราบขอขอขมาลาโทษ ด, ด้วยเมื่อหลวงปู่หลุยบอกมาเช่นนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็เมตตาให้อยู่ต่อ แต่ว่ามีข้อแม้ค่ะถ้าจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปก็ห้ามไปบินทบาทสายที่ผมเดินก็คือหลวงปู่มั่นได้สั่งห้ามไม่ให้หลวงปู่หลุยเดินตามท่านไปบินทบาทด้วยนั่นเองหลวงปู่หลุยก็เชื่อฟังและได้ปฏิบัติตามคําสั่งของหลวงปู่มั่นด้วยดีเสมอมาจนเวลาผ่านไปนานพอสมควรค่ะ วันนึงหลวงปู่มั่นเดินทางไปวิเวกต่างสถานที่ก่อนที่จะออกเดินทางหลวงปู่มั่นก็กำชับพระในวัดแล้วก็เนนในวัดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าคอยระวังท่านหลุยด้วยอย่าปล่อยให้ไปบินธบาตสายนี้ยังเด็ดขาดนะด้วยความกังขาต่อคําสั่งของหลวงปู่มั่นค่ะที่สั่งห้ามไม่ให้ท่านเนี่ยไปบินธบาตสายดังกล่าวนั้นฝังอยู่ในใจของหลวงปู่หลุยมาเป็นเวลานาน เมื่อหลวงปู่มั่นไม่อยู่หลวงปู่หลุยก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเหตุไรหลวงปู่จึงมาห้ามเราแบบนี้วันนี้เนี่ยเป็นไงเป็นกันจะต้องไปบินธบาตสายที่หลวงปู่มั่นห้ามให้ได้ว่าแล้วนะคะเช้ารุ่งขึ้นหลวงปู่หลุยก็เดินไปบินธบาตสายที่หลวงปู่มั่นสั่งห้ามนั่นเองถึงแม้ว่าพระเนรจะช่วยกันทัดทานห้ามอย่างไรหลวงปู่หลุยก็ไม่ฟังเสียงใครค่ะเพราะว่าอายุพรรษามากกว่ารูปอื่นนั่นเอง พระเนนรูปอื่นๆมีแต่พรรษาต่ําก็เกรงว่าจะไม่สามารถาห้ามเอาไว้ได้ก็เลยต้องปล่อยให้หลวงปู่หลุยเนี่ยเดินไปบินทบาทสายดังกล่าวหรือว่าสายต้องห้ามโดยที่ไม่สามารถทัดทานได้ค่ะเดินไปจนสุดหมู่บ้านหลวงปู่ลุยก็นึกในใจเอ๊ะหลวงปู่มั่นมาห้ามเรา เ, เรื่องอันใดไม่มีเหตุไม่มีผลก็แค่เดินบินทบาทธรรมดาที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะ ขณะที่เดินมินทบาทค่ะขากลับในระหว่างทางเนี่ยได้มีหญิงสาวนางหนึ่งลงมาใส่บาทตามปกติที่เคยทำอยู่ประจาทุกวันแต่ว่าขณะที่หญิงสาวเอื้อมมือจะใส่บาทหลวงปู่หลุยก็กำลังจะเปิดบาทค่ะฉับพลันนะคะสายตาหลวงปู่หลุยก็ไปจ้อง ก, กันกับหญิงสาวคนนั้นประสานกันพอดี ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะร้ายแรงและก็เป็นไปได้ถึงเพียงนี้นะคะนั่นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่มาตักบาดนี่แหละเป็นลมลม้ลมลงช็อกหมดสตินะคะกระติบข้าวเนี่ยหลุดกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นดินทันทีที่ฝ่ายหลวงปู่ลุยได้เห็นซึ่งบําเพ็ญตะบะบารมีมาถึงขนาดนั้นก็ยังถึงกับข่าอ่อนแล้วก็เป็นลมล้มพับไปเหมือนกันบาด ท, ที่สะพายอยู่บนบาถึงกับหลุดร่วง พระเนนที่เดินตามมาด้วยนะคะก็ต้องรีบเข้าไปประคองสองปีกซ้ายขวารูปหนึ่งก็เข้ามาช่วยรับบาตเสร็จแล้วก็พากันหิ้วปีกหลวงปู่กลับวัดทันทีหลวงปู่มั่นท่านรู้อยู่แล้วค่ะว่าคู่วาสนาของหลวงปู่หลุยมาเกิดที่นี่ถ้าได้มาพบกันแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลวงปู่มั่นก็เลยห้ามไม่ให้หลวงปู่หลุยอยู่ที่นี่หรือว่ามาที่นี่แต่เมื่อหลวงปู่หลุยดื้อค่ะดื้อที่จะอยู่ก็ห้ามไม่ให้ไปบินทบาทด้วยแต่แล้วก็หนีกรรมไม่พ้นอยู่ดีคุณผู้ฟัง หลวงปู่หลุยจันทสาโรนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2544ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีโยมบิดามารดาชื่อนายคําฝอยวรบุตรลูกชายเจ้าเมืองแก่นเท้าวแขวงชัยบุรีประเทศลาวและนางกวยสุวรรณสุวรรณภาวรบุตรนะคะซึ่งในช่วงวัยเด็กเนี่ยท่านก็ศึกษาจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และได้ทํางานเป็นเสมียนกับพี่เขยที่สมุหบัญชีสัมภากรอำเภอเชียงคานแล้วก็เมื่อปี2464ค่ะท่านก็ได้ย้ายไปทํางานที่อำเภอแซงบาดานหรือว่าอำเภอทวัดบุรีนะคะ และที่ห้องอายการภาคจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยการอุปถัมภ์ของอายการภาคร0อเอ็ดค่ะท่านก็นับถือศาสนาคริสต์อยู่5ปีจนลุงของท่านเรียกท่านว่าเซนหลุยหรือว่าหลุยนั่นเองท่านก็เลยถูกเรียกชื่อว่าหลุยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และต่อมาท่านได้กลับเปลี่ยนใจมานับถือาศาสนาพุทธแทนนะคะแล้วก็ได้อุปสมบทเมื่อปี2466เป็นพระมหานิกายที่วัดแซงบาดานจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงพรรษาที่หนึ่งค่ะท่านก็พยายามศึกษาพระธรรมมาวินยัยทั้งรปริยัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติครั้นถึงคราออกพรรษาท่านก็ได้ลาพระอุปชาไปเข้าร่วมการคัดเลือกเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลยและได้เดินทางไปนมัสการพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะ เรื่องถูกเล่าโดยหลวงพ่อสมชายทิตะวิริโยเรียบเรียงโดยปิยนันเกตทองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระเกจิสายธรรมยุทธ์หรือว่าสายพระป่านะคะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่น เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็รู้จักดีนะคะแล้วก็ยังคงเคารพนับถือแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในกิจปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็หลวงปู่หลุยจันทาศาโรด้วยยังไงบีก็ขอมอบเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยหมดเวลาของพระเจอผีประจําคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ อย่าลืมติดตามช่องพระเจอผีด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ